ประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักลาระดาบทอคิเวสนะในการต่อมาเรายัางหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกจาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ประนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโคนผมและหนวดนุ่งหมภากาสวพัด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 เราจึงคิดว่าอลาระดาบทกาลามโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อลารดาบทกาลามโคตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอลาระดาบทกาลามโคตรแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศธรรมนี้ว่า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 มิใช่แต่อาราธดาบทกาลมาโคเท่านั้นที่มีสติเท่านั้นแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อาราธดาบทกาลมาโคเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อาราดาบทกาลมาโคเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อาราธดาบทกาลมาโคประกาศว่า ข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาลาระดาบทการามโครแล้วถามว่าท่านการามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือ阿ารดาบทกาลามโคตอบว่า ท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกาลามะแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อลาระดาวดก า, ามกลมวามกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาของพวกข้าพเจ้า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 ท่านทราบทำใดเข้าพระเจ้าก็ทราบทำนั้นเป็นอันว่าเข้าพระเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเข้าพระเจ้าก็าเป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้อคิเวศนะอาลาระดาบทกาลามโคธทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอกับตน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 ในสำนักอุทกดาบทอาคิเวสนะเรานั้นสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐเคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทรามาบทแล้วกล่าวว่าท่านรามะเข้าพปเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจันทร์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อุทกดาบทรามุตรจึงกล่าวกับเราว่า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 ข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่อเราถามอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงประกาศในวาสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติแก่เราเราจึงคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะ มิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามบุตรประกาศว่า ข้าพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ได้ทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามาบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกดาบทรามาบุตรตอบว่า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 และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าทมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหนายทำนั้นจึงลาจากไป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 มีท่าน้ําสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจระคามอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่าผู้มิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ําไหลรินไม่คาสายมีท่าน้ําสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจระคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบําเพ็ญเพียรเราจึงนั่งณที่นั้นด้วยคิดว่า ที่นี้เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรอุปมาสามข้ออคิเวชนะครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราคือ เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้าบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอาคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ามาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระโคดมผู้เจริญ ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระโคดมผู้เจริญเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำโบรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าอาคิเวชณนะอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลาย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 อย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้มีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังมิได้ละและมิได้ระ ง, งับอย่างเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหม์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้สเสวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร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 ซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราอาคีเวสนะนี่คืออุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา บำเพ็ญทุกขระกิยาอคิเวสนะเรานั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเรานั้นก็กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเราทำดังนั้น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 มีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียงที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของเราก็กรวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิต ข, ของเราอยู่ไม่ได้อคิเวชนะเราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบําเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิด เราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ลมที่แช่งทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้อู้แม้ฉันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้าง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 ทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดแล้วก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในสีสะอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันสีสะแม้ชันใด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 คนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญพึงใช้มีดแล่เนื้อที่ขมกรีท้องแม้ชันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีลมอันแรงกล้าปาดในช่องท้องชันนั้นเหมือนกันเราปรารบความเพียนไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือน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 เมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความโกวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอ ก, กว่าคนละข้างแย่งให้ร้อนบนหลุมฐานเพลิงแม้ฉันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู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 พระสมณะโคดมสิ้นพระชนแล้วบางผู้กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมยังไม่ได้สิ้นพระชนแต่กำลังจะสิ้นพระชนบางผู้กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมยังไม่สิ้นพระชนทั้งจะไม่สิ้นพระชนพระสมณะโคดมจะเป็นพระอรหันต์การอยู่เช่นนี้นั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์อคิเวชนะ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 เท่ายื่อในเมล็ดบัวบ้างเมื่อเรากินอาหารให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝายมือบ้างเท่ายื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่ายื่อในเมล็ดถั่วพูบ้างเท่ายื่อในเมล็ดถั่วดําบ้างเท่ายื่อในเมล็ดบัวบ้างกายก็สู้ผอมมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวันที่มีข้อมากหรือเถาวันที่มีข้อดําเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเท้าอูด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 สมนะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งอยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปแต่เราก็ยังมิได้บรรลุ ญ, ญาณทัศนะที่ประเสรศิฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกระกริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่จะตัสรู้บ้างไหม เราจึงมีความดาริว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวศักกาธิปดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุโสลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเรามีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติว่า ทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราจึงมีความดําริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุติธรรมทั้งหลายหรือเราก็ดําริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุติธรรมทั้งหลายเลยอคิเวชณนะเราจึงมีความดําริต่อไปว่าเราผู้มีกายสู้พอมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นมิใช่ทําได้ง่ายเลย ทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมากเราก็กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมากครั้งนั้นภิกษุปัญจวคีที่เฝ้าบำรุงเราด้วยหวังว่าพระสมณะโคดมบรรลุธรรมใดจกบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อใดเรากินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมากเมื่อนั้นภิกษุปัญจวคีนั้น ก็เบื่อนายจากไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆเสียแล้วชาญสและวิชาสาม อาคีเวสนะเรากินอาหารอยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกติสมธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะปิติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยชายนที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมนัติดับไปก่อนแล้วเราบรรลุจจตุทชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้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 เหมาะแกาการใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวขคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรทคาม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรทคาม่นีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วจูโจบพรหมจรรย์แล้วทำจิตที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัคิเวชนะเราบรรลุวิชาที่สามนี้ในปชิมยามแห่งราตรีกําจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้น กำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิตกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้